ต่อในไปก็พั ก, กันตั้งใจฟังธรรมพร้อมทางทําความสงบจิตใจของเราต่อไปด้วยคือให้รักษาจิตใจของเร า, เาให้ดีราดับแรกเลยกล็ ว, ว่าน้อมเข้ามาคือดึงความรู้สึกของเราเข้ามาตั้งข้างในทันทีนี่ถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยจะไม่กําหนดลมหายใจได้จะไม่พุทโธธำโมสังโฆ ก, ก็ได้ทางนั้น พรอมันเป็นเป็นจุดเริ่มตั้งเริ่มต้นของการกําหนดใจที่ที่ท่านสอนให้เรากําหนดลมหายใจเข้าออกให้พุโทโธธรมโมสังโฆหรือตั้งในกรรมฐานนันก็ต้องตั้งต้องการให้ใจของเราสงบให้เราให้ใจมันนิ่งมันมีจุดตั้งเท่านั้นเลยคือเรายังกําหนดใจยังไม่ได้อันดับแรก แต่ถ้าเรากำหนดใจได้แล้วก็ดึงเข้ามากำหนดใจเลยเพอกำหนดใจแล้วเนี่ยต้องทาใจให้นิ่งแส่ก่อนคือรักษาความรู้สึกให้มันนิ่งๆรู้อยู่ในจุดแต่เราอย่าให้มันเลยไปเลยก็หมายถึาไปเพ่งมองเพ่งมองออกไปหรือเพ่งมองดูข้างในบางคนนะก็จดจ่อไว้ที่ทรงแล้วก็เพ่งไป โดยเพ่งไปตามสายตาเหมือนกับเราเอาเอาตาไปส่องอย่างนั้นนะถ้าทําอย่างนั้นมันเลยใจไปยังไม่ถูกใจหล่ะมันเลยใจครั้งแรกไม่กําหนดเข้ามาก็เรียกว่าอยู่นอกใจทีนี้ถ้ากําหนดเราเพ่งไปตามสายตาเหมือนกับเรามองด้วยสายตาัก็เรียกว่าเลยใจไปเหมือนกันจะนะให้เรากําหนดความรู้สึกตนะเป็นจุดศูนย์กลาง ความรู้สึกมีแค่ไหนเพียงไรก็ให้พากันกำหนดความรู้สึกนั้นพอเรากำหนดรู้ความรู้สึกก็ทำานึ้อึคลนมาว่าใจก็มีแค่นี้มีแค่รู้ใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกความคิดปรุงแต่งทางหลายไม่ใช่ทั้งนั้นใจก็คือผ่านรู้ดวงรู้ ผู้รู้ให้ความรู้สึกที่มีอยู่นี่เองนี้ถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วจะต้อ ง, ต, องตั้งจุดอีกก็ได้พอตั้งจุดแล้วก็สำนึกขึ้นมาเนืกอพุทโธธรรมโสังโคนเ้นมาเนึกว่าพุทโธพุทโธเอววอยู่ตรงไหนใครว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนที่มันดังพุทโธกัน <c oughs> เป็นการ เป็นการกำหนดดวงรู้หรือกำหนดใจเมื่อกำหนดรู้กำหนดดวงรู้ใดอย่างนั้นก็ให้เอาความรู้สึกให้นิ่งรู้อยู่ก่อนนิ่งรู้อยู่และในขณะที่เรานิ่งอยู่ขณะนั้นมนอาจจะมีห่วงแห่งความคิดผุดขึ้นมาเราก็รู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปคมมันจะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาเหอะ อย่างนี้เรียกว่าเราดูใจ เ, เราดูจิตแล้วดูความคิดความคิดอันใดมันจะเกิดมันจะปุงขึ้นมาก่าอให้มันเกิดขึ้นมามีหน้าที่รู้แต่เราจะไม่ให้ใจของเรานะี่ยต่อเคลื่อนที่ออกไปจากที่เราตั้งนั้นเราตั้งรู้ไว้ตรงนี้เรียกว่าเอาทรวงอกนี้เป็นที่หมายแต่เราไม่ได้กดเราไม่ได้ขม่ม แต่พระคลองเข้ามาให้มันรู้อยู่ตรงนี้ถ้าไปเพ่งกดใส่แล้วกับมันก็เดือดร้อนอย่างไรไม่สบายแหละอย่าไปกดอย่าไปคมนะ้วอย่าไปปล่อยก้ยข้างนอกพระคลองเข้ามาเมื่อเราดูความรู้สึกอย่างนี้มันก็จะไปตั้งไปจดจ่อเข้ามันเองกันไปตั้งไปจดจ่อของเองเราไม่ลําบากแต่ถ้าจะรู้อยู่แค่นั้นประคลองให้รู้อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่นานนล้วทนี้ มันก็จะวิ่งหนีอีกแหละถ้าเราประคองมาทําความรู้สึกอยู่มันก็จะมีปีติชุ่มชื่นรู้สึกว่าชื่นใจขึ้นมาแล้วก็ประคองไว้อยังงั้นต่อจากนั้นให้เราให้เราอ่านอ่านใจอ่ว่าไหนใจไหนเวทนาสัญญาสังขารเวญญาณตามขั้นตอนของขันธ์ห่านอ่านให้แม่รู้ อ่านรู้รู้แล้วก็มาหยุดนิ่งนิ่งรู้อยู่รู้อยู่แล้วก็อ่านไปอีกเอาจนมันหยุดเอาจนไอ้ความคิดมันนิ่งทั้งหมดนะรู้อยู่ได้แต่ถ้าเราจะมานิ่งทีเดียวให้มันนิ่งมันไม่นิ่งอะ่ะต้องทำงานทำงานให้มันรู้คือให้ใจรู้ให้ใจรู้ใจ หรือตัวเองรู้ตัวเองหรือตัวเองทำยังไงพอเราตั้งนิ่งลงไปประคองไว้เป็นกลางแล้วแล้วกำหนดขึ้นมาว่าขณะนี้รู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกว่าเป็นสุขเหรอเพราะขณะนั้นจะต้องรู้สึกว่าเป็นสุขหรือรู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ โดยเฉพาะก็คือความรู้สึกเป็นเป็นสุขและเป็นทุกข์ไอ้กลางๆนะมันนานๆแวบเดี๋ยวมันก็คืนไปสุขแต่ทุกข์นั่งแหละมันไม่อยู่นานนะไอ้ตัวกลางๆนะี่ยิงไปสุขทุกข์แต่ไอ้สุขในบางครั้งก็เพียงขึ้นชื่อรู้สึกว่าเช่นชื่นใจนะไม่ไม่หมากหนักหรอก <c oughs> แล้วก็ทําความรู้สึกออกขณะนี้เนี่ยใจเนะี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสุขนะ แล้วก็สอบสวนกันไปว่าตัวที่มันสุขผู้ที่มันรับว่าสุขมันรู้ได้อย่างใดนะรู้ได้อย่างไดจริงรับรู้ว่ามันเป็นสุขนะใครนะนะมันเป็นผู้บอกอย่างนั้นสาวก็ไปหาต้นสาวเข้าไปสาวเข้าไปมันก็จะไม่มีอะไรอีกแล้วมันก็มีแค่รู้อีกแล้ว เราจะเอาไปรูปแบบพันธุ์สันธานยังไงมันก็ไม่แรงนะั้นถ้าจะพิสูจน์ข้างในเนี่ยว่าอสุกก็รู้สึกว่าอาการชื้นชื้นก็พาไปใไนชุ่มขึ้นมาในในร่างกายเนี่ยชุ่มเข้ามาที่ซองอกรู้สึกชื้นขึ้นมาที่นี่เราจึงบอกตัวเองว่าเอออาการอย่างนี้นมันสุกนะถ้าที่ไม่อาการเป็นเท่ามันก็รู้สึกว่าอึอดอัดในคัด อ, อกคัดใจก็จะรู้ได้ทางกายท่าน มันอึดอัดมันไม่เบาถ้าสุกแล้วมันจะรู้สึกว่าเบาอาการเบาไม่อึดอัดแล้วก็เรียกว่าสุกกันใจนะมันบอกเพราะมันเคยเสวยมาแล้วก็รับู้รู้รับทราบแต่ว่าอาการอย่างนั้นแล่วให้ใจรับรู้รับทรา บ, รบนะอาการเป็นสุกเป็นทุกข์ก็คืออึดอัดอาการที่มันทุกข์ก็อึดอัด ไม่สบายของกายนี่ <c oughs> ที่ว่าเป็นสุกก็รู้สึกว่าชื้นเบาถ้ามันชุ่มชื้นที่ช่วงอกนี่มันชุ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาถ้ามันสุกมากมันจะอิ่มทั้งกายหมดเลยทุกเส้นขนเส้นเอ็นทั้งหมดมันจะชุ่มไปทั้งหมดเลยอันนั้นถือว่าปีติสุข คืออิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจแล้วใครเป็นผู้รับอย่างนี้นก็ใจีแหละมันเป็นตัวกลางผู้รับแล้วก็สาวลงท้ายตัวนี้นเออก็มีใจใจมีใจมันก็มีแค่รู้รรความรู้สึกรู้อยู่ขนาดนี้น่เองเรียกว่าใจแล้วพระดชะก็เข้าถึงอันนี้ พระองค์จึงเป็นพุทโธพระองค์เข้าถึงดวงรู้ของพระองค์แล้วเนี่ยดวงรูท้ที่ที่ปราศจาก า, าคาโทสมาหะครอบงำเป็นอิสระแก่ตัวเองเราก็ต้องเข้าถึงดวงรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปแล้วพระพุทธเจ้าครั้งแรกไม่เรียกพุทิเจ้า เรียกว่าสิทธะราช ก, กมุมารหรือเรียกวมหาลูบุรุษแล้วแต่จะสมมติบัญญัติเรียกไปเมื่อเมื่อพ่อมากำหนดสติตั้งใจไว้ในลมหายใจเข้าจนถึงเ ข, ข้าถึงดวงรู้เข้าถึงผู้รู้จึงได้นามว่าพุโธพุทตัสรูแล้วรู้จักแล้วรู้จักตัวเองแล้วในการตัดสู่ของพระริยา เราเรียกกันว่าตราสรู้อริยสัต์สีคือทุกสมูทไทยในโรถมัดตราสรู้อย่างไรจรึงเรียกว่าตราสรู้อริยสัตสิกับพระอง์รู้ตามความเป็นจริงซึ่งมันเป็นตัวของเราทุกคนก็เป็นตัวอริยสัตว์อริยสัต์แปลว่าของจริงของจริงคือของที่มันมีอยู่ ของจริงสีอย่างก็อง์รู้ทุกอันดับแรกเพราว่าแต่ละคนละคนก็ต้องเสวยกันอยู่แล้วพระองค์ก็เสวยแล้วใจนั้นมันต้องเสวยสุขเสวยทุกอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะก็คือมาอาสะมาเสวยสุขเสวยทุกของร่างกาย ใจที่มาโยอาศัยรูปร่างการนี้จะไม่สุขไม่มีสุขมีทุกข์ไม่มีเลยแต่นั้น福德ใจยังตรัสว่าทุกข์ทั้งหลายนะียิ่งกว่าการบริหารร่างกายสังขารนี้ไม่มีเลยสุขยิ่งกว่าคานิพานนั้นไม่มีทีนี้ย่อนมากกว่านั้นก่สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี สูงสุดก็คือนิพานไอ้ความสงบเราจะรู้ทุกจึงรู้ทุกขึ้นมาเพราะว่าใจได้รับความสบายแล้วหมายว่าความสบายมันมีทั้งสุขและทุกข์ขนาดที่ใจอยู่อาศัยร่างกายขันหานี่ต้องมีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์อยู่นั้นมีสุขแล้วก็มีทุกข์รวมแล้วก็คือตัวทุกขันเองไม่ใช่สุข ไอ้ทุกแท้แท้ทุกร่วนรวนไม่มีใครต้องการทีนี้ไอ้สุขที่มันมีเนี่ยมันไม่ใช่สุขแท้ๆสุขเพราะอาศาายัยรูปร่างกายมันเป็นสุขที่เจือเดือดทุกพระปฏิยาจึงตราดเรื่องทุกไวทุกขที่อิงอามิต คืออาศัยเหตุต่างๆเป็นเหตุให้ไม่สบายเนี่ยวอิงอามิตรทุกข์ก็เหมือนกันสุขที่อิงอามิตรอาศัยเหตุข้างนอกเป็นเหตุให้ได้รับสุขได้รับความสบายชื่นใจความสุขทึ่เป็นอามิดนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับรูปร่างกายคือขันห้านี่เองในทุกข์ก็เหมือนกันอาศัยที่ มีรูปร่างกายมาสายร่างกายเพราะมันเป็นของไม่เทียงมุติจาจึงรู้ตัวทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือตัวทุกข์คือตัวที่มาอยู่อาศัยคือรูปร่างกายเนี่ยะตัวทุกข์เลยการบริหารร่างกายสังขารมาอยู่อาศัยร่างกายมันจะไม่มีทุกข์ไม่ได้ต้องมีทุกข์แล้วพระ อ, องค์ก็มากาหนดดูตัวเหตุเมื่อรู้จักทุกข์แล้ว ถือมีทั้งทุกข์และสุขที่ที่มาอาศัยนีย่ก็สาวมาจากเหตุอะไรจึงมันมีมันจึงมีสุขมีทุกข์ที่มีสุขมีทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่ามาลักร่างกายยินดีพอใจในรูปร่างกายนี้เอง <c oughs> ที่เรียกว่าตันหายินดีในะรูปร่างกายของเรา เมื่ อ, อยินดีนะรูปร่างกายของเราก็ต้องร่างกายของอื่นปราถนาร่างกายของคนอื่นอีกอยากได้ของคนอื่นอีกทําไมเึงอย่างมันจึงอยากได้อย่างนั้นที่อยากได้ได้อย่างนั้นก็เพราะว่าสําคัญว่าเมื่อเราได้มาอย่างนั้นแล้วมันต้องเป็นสุขใจมันมองไปอย่างนั้นเรียกว่ามองไปด้วยอํานาจแห่งตัณหามองว่ามันจะเป็นสุข อยากได้รูปที่สวยที่งามอยากได้รูปที่ดีที่อะไรต่างๆที่อยากได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามองเห็นแล้วถ้าได้มาอย่างดีๆอย่างนั้นมันจะเป็นสุขทั้งรูปสัตว์รูปบุคคลแหละทั้งรูปวัตถุ ด, ด้วยอย่างอยากได้รถแด่ราศสวยๆงามๆมัาสำคัญว่าเหมือนได้ไมัเนยมันเป็นสุขมันเป็นสุขจริงได้มาแล้วแต่มันเป็นสุขที่อีกด้วยอามิต <c oughs> ไม่ใช่สุขแท้เมื่อมันเป็นสุขแล้วมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็คือตัวทุกข์นั่นเองสุขหน่อยเดียวหนึ่งสุขไม่นานไดิจายจึงรวมาันก็คือตัวทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจริงเหล่านี้ก็มาจากตัญหามาจากความมาจากความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นอยากได้อะไร ก็อยากได้รูปเสียงกิดรถโพธาพาณนั่นเองอยากได้รูปที่สวยสวยงา ม, งามอยากได้รูปของคนอื่นมาเป็นของเราอยากได้วัตถุสิ่งของที่ว่าสวยว่างามมันเป็นของเราก็อยากได้อยากได้ขอนขวายก็ต้องขอนขวายหาเมื่อขอนขวายให้ได้มาดิก็หมกมุ่นในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันไม่อยู่นานจากไปแล้วเป็นทุกข์เอกแลว้ววิ่ง วิ่งหาหรือมีฉะนั้นขันขวายในการที่จะป้องกันให้สิ่งนั้นนนั้นอยู่อย่างนั้นแม่สูญหายไม่เป็นอันตรายเพราะวิ่งหาทางขันขวายหาทางป้องกันนั่นมันก็เป็นทุกข์อีกแล้วแม้รูปร่างกายของเราที่เราเราลักเอาถึงขาวมันจะวิบัติวิ่งแจนหาทางป้องกันสมงว่าเขา มาบอกว่าอร่างกายมันจะตายอีกเจ็ดวันมันจะตายเราวิ่งแก่นหาทางที่จะป้องกันเดีย๋ยวจะต้องอยู่ให้ได้ขวขวายขนาดไหนขนาดนั้นมันก็ไม่อยู่ที่วิ่งขวัขวายอย่างนั้นก็เพราะว่าความอยากได้ให้มันเป็นอย่างนั้นนั้นด้วยอำนาจแห่งตัณหา อยากได้อย่างนั้นก็เพราะสำคัญมันหมายว่ามันเป็นฉุกนั่นเองว่าเมื่อได้อย่างนั้นได้เป็นอย่างนั้นได้มีมันต้องเป็นสุกแน่ใจมันถึงต้องการของภายนอกคราวนี้ยังอยากจะให้ตัวของเราี่มันเป็นอีกแหละอยากให้หลังกายของเราในสวยๆงามงามอยากให้หลังกายของเราเนไม่มีโรคภัยใขรเจ็บมาปีดเบียน อยากให้มันดมลงอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่เรียกว่าอยากเป็นอยากให้ตัวเองนี่เป็นตลอดถึงอยากเป็นใหญ่อยากเป็นผู้แทนอยากเก่เป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะเป็นที่มันสูงสูงกว่านั้นทำไมอยากเป็นที่อยากเป็นก็เพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนั้น มันไดดอย่างนั้นก็เป็นสุขและเอา้าไปเป็นเข้าจริงๆเป็นสุขมีหน้ามีตามีคนห้อมล้อมเป็นบริวารไปที่ไหนมาที่ไหนมีคนต้อนรับมีคนยกมือไหว้ยกหยอปอปันไปที่ไหนไหน ก, ก็ห้อมล้อมข้างห้อมล้อมหน้าหลังในสำคัญว่าเป็นสุขเอา้าเป็นสุขเขามองกัน ถ้าพีนาที่ทีถุกที่ไหนก่อนก็คือตัวทุกนันเองผลสุดท้ายบางคนไปมามาเหนื่อยมากจนลุม้มตึงเอาไม่ได้หยุดได้ยัง้งได้พักได้ผ่อนสู้ตาสีตาสาอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาะไม่ได้อยากจะหลับเมื่อใดอยากจะนอนอย่างนี้อยากจะนอนทางขาอย่างใดอยากจะนอนแบกแข้งแบกขาให้มันนอนได้ทาได้ทางหน้าน่ะ แล้วเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในระเบียบแบบแผนไปเนนจะต้องทําภาครึงอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์แต่มนุษย์ก็ชอบเป็นอย่างนั้นพอสามขานมนเป็นสุขนั่นเองพอใจพอใจที่ได้รับยกย่องสรรเสริญพ อ, อใจที่ได้เขาเขาได้ยกยอปอปันสมมุติว่ามันได้อย่างนั้นมันก็ไปตลอดไปนะมันไม่นาน มันก็ไปเองแล้วความจริงมันก็คือตัวทุกนันเองทีเพราะมันไม่เที่ยงไม่ดำลงตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นตลอดไปก็ดีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าปฏิจะบอกนั่นมันตัวทุกกันแหละมันเกิดจากเหตุที่เราไปอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยไปเป็นแค่อย่างนั้นเข้าให้แล้วมันเป็นได้กี่มือ้อกี่วัน บางคนขวัญขวายอยากจะเป็นเสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละเงินทองเข้าของเอาทุกอย่างเขาจะให้ได้เป็นบางทีไม่ได้เป็นจิบหายวายวุญเสียทรัพย์โผะเยอะแยะเลือดร้อนไม่มีอยู่ไม่กินเลยนี่ผนสุดท้ายเขาจะมายึดที่ไรที่นาที่บ้านที่สวนที่อะไรต่างๆพอเอาเงินเข้าไปใช้ <c oughs> ทุกตามมา ไปจากเขตอะไรไปจากเหตอยากเป็นนั่นแหละอยากมันเป็นอยากมันเป็นอย่างนั้นเข้ามันก็เลยกองถูกแต่ไปมาไม่อยากเป็นทีนีตัวเองไม่อยากเป็นแล้ทีแต่มันดันเป็นไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเป็นคนตายแล้วยังคอยไม่ให้คนอื่นเป็นซะอีก ให้คนให้ลูกให้ร้านให้พี่ให้น้องนะเป็นโลกไพ้ใข้เชฟให้ลูกร้านของเราเป็นคนวิบัตอิอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนันมันก็ดันไปเป็นเข้าอให้เราก็เลยวิ่งวุ่นนี่แหละคือตัวตัณหาที่พระิจจาราสรุเพราะความอยากได้อยากเป็นนี่เองแหละมันเป็นต้นเหตุต้นเหตุให้เราวิ่งวุ่นไปหาสิ่งนั้น ทำไมมันทำไมมันจึงอยากได้อยากเป็นก็เพราะมันมันสำคัญว่ามันจะเป็นสุขเมื่อเราได้เราถึงอย่างนั้นเมื่อลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นเมื่อพี่น้อง เ, เขาเรามันเป็นอย่างนั้นเมื่อตัวเรามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นสุขไปเป็นเขาจริงจิงเป็นสุขแต่มันเป็นสุขที่อิงอาหมิรถ้าสุขอย่างนั้นได้ตลอดไปก็ดี แต่จะไปหาเอาไหนในมนษย์โลกเทวโลกไม่มีไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนเราถ้าอยากจะถึงถึงสุขแท้สุข ถ, ถึงถึงสุขที่แน่นอนมัน่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วให้วางความอยากนั้นเสียวางความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นนั้นเสียเอาทิ้งเสียไอความอยากอันนั้นจึงจะถึงสุขที่แท้ พุใธิจายจสอนให้ดับตัณหาดับมันเสีตัณหาภาษาเมืองว่าตัณหาก็ตาหันนั่นแหละตาหันแล้วมันก็อยากละว่างันความจิงมันก็เข้าหลักเหมือนกันพออาศัยความอยากในจิตใจนั่นเองทำไมจึงอยากที่อยากนั่นก็เพราะมองเห็นว่ามันเป็นสุข มันเป็นสุขจริงไหมหล่ะเป็นสุขแต่มันเป็นสุขที่อิงอามิดเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขชั่วขนาดที่เวลาดำรงอยู่นี้เท่านั้นและทีนี้เอามามาใส่ฐานผู้ที่รับสุขทีนี้ก็คือตัวเราหนังกายสังขรารของเราที่จะรับสุขเนี้ยมันจะรับอะไรขนาดไหนเน่ะ มันแก่ไปแก่ไปแก่ไปพอสุดแมันก็ห้อยลงไปหมดเลยไม่มีแล้วพุทธิใจจึงสอนให้เอาดับทุกจึงเรื่องนี้กว่านี้โลดตัดสู้รู้จักทุกรู้จักเหตุทุกเกิดรู้จักวิธีดับทุกกว่าการดับทุกคือดับตัวตัณหาดับความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นนใัให้มันหมด ถ้ามันเสี่ยงจากกิจใจย่า้มันเหลืออยู่แม้จะได้สุขเพราะทเยทยานอำนาจตันหานะั้นมันก็เป็นสุขที่เจือด้วยด้วยทุกนั่นเองเป็นอมิตรสุขสิในวิธีที่จะดับตันหาละ่ะเมื่อพระบุรเดีจจรู้จักทุกรู้จักเหตุทุกเกิดแล้วรู้จักที่จะดับทุกต้องรู้รู้จักวิธีที่นึน ที่จะดับมันก็ต้องดับตัวตัณหานั้นรู้จักขึ้นมาว่ะมันจะหมดทุกข์ได้ก็บเพราะดับตัวตัณหานั้นต่างหากเล่าทุกข์มันจึงจะหมดไปทีน้วิธีที่จะดับระติเนีน่ถ้าพระพุเทธเจ้าก็รู้มาตรัสสรูปขึ้นมาเรียกว่าต ร, ารัสสรูมักอันดับแรกต้องเป็นสมาธิเห็นเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างไร อาการที่เราได้สุขได้ในสิ่งที่เป็นเป็นสุขแต่มันจะสุขเท่าไหร่มันมีอยู่เท่าไหร่ก็เป็นสุขจริงแหละแต่มันก็กลายเป็นทุกข์สุดท้ายอย่างนี้เราให้เห็นจริงตา ม, มนั้นหายใจของเราเห็นจริงตา ม, มนั้นอย่งเราเกิดมาเป็นหนุ่มมีรูปหลงังกายเป็นหนุ่มน้อยก็มีสุขอา้าวต่อมามีขอบมีครัวมีสามีภรรยามีรับมีโภคค้ก็ว่าเป็นสุข มีลาบยอส่วนส่นสุกก็ว่าเป็นสุขแล้วเป็นสุขเท่าไหร่เราพิจาณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเห็นจริงตามนั้นใจมันก็ไม่อยากด่าถ้าเห็นจริงนี่จะเห็นจริงอย่างนั้นได้จาเป็นต้องใคร่ควรพิจารณาหาเหตุหาผลให้ใจของเรารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีนั้นนั้นอย่างว่าเรามีรูปหลังกายมาอยู่อาัยมันเป็นสุกไหมเป็นสุขแล้วเป็นสุขแค่ไหน ก็หน่อยเดียวผลสุดท้ายก็แก่เท่าจะแตกดับตายไปที น, นี้มีกามาคุณ้าได้รูปเสียงกิ่รถโผล่ส ภ, ภามีลาบยศสรรเสริญสุขมีเงินมีทองมากมายเป็นสุขไหมเป็นแต่ว่าสุขเท่าไหร่สุขหน่อยเดียวเดี๋ยวร่างกายก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่เป็นการนำลิคือใครความินาหาเหตุหาผลหาความจริงของมันเมื่อเห็นตามความจริงจริงก็วางลางไปได้ ทีนการที่จะวางอย่างนั้นทิ้งอย่างเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราใช้ปัญญาธรรมดาๆครรือเราพิจารณาตามท่านก็เห็นจริงตามท่านก็บรรเทาใจได้หน่อยหนึ่งแต่จะละทิ้งนั้นไม่ได้หรอกละถอนทิ้งทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานแห่งสติสมาธิไม่พอจึงละถอนปล่อยวางไม่ได้ อย่างพวกเรามาพิีรณาตามที่พระดิจารสอนคือพิีรณาขันท่าพี่ณาว่ารูปร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วอันดับแรกก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาตามหน่อยก็มีส่วนความสุขความสนุกเพลิดเพลินเจริญใจไปตามนั้นแต่ผลสุท้าก็แก่เท้าชร า, าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเท่าคนแก่ผลสุดท้ า, าย ในระหว่างที่ยังไม่ตายก็ต้องการงานหาเงินหาทองหาข้าวหาของตัวเป็นกลีวกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนก็เป็นควนคิดไข่ควรคว่าจะต้องหาเงินหาทองหาบาบอย่างไดจึงจะได้เงนินได้ทองอย่างนั้นอย่างนี้กลางวันก็ทํางานตามที่ไข่ควรพิจารณาไว้ น, วนั้นหาเงานินมาเพื่อตั้งฐานะหลักๆขอ ง, ต, งตัวเอง แล้วก็สิ่งเหล่านั้นหามาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ของเก่าตายแล้วก็ทิ้งหมดเราพิจารณาตามนะก็เห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าว่าไว้คือรูปหลังการนี้เป็นอนิจจังทุกครั้งนะตาตามเห็นตามจริงเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าว่าไว้เห็นแค่นี้เราก็สลดสังเวยใจได้เหมือนกันแต่ก็สลดสเวยใจในขณะที่เราใครายความพิจารณานนั้น เหมือนกับน้องน้ําที่มัมีจอกแหนเต็มแล้วออะไรกวาดกวาดกันไว้กันไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ลงอาบได้เห็นน้ำใสสะอาดแต่เมื่อเราขึ้นมาเอาไม้นะออกไอจอกแหนเมื่อก็หบเข้าไปที่เก่าบังน้ําไว้ไม่เห็นน้ําสะอาดเราใช้สติปัญญาไขาความธรรมดาธรรมาก็อย่างนั้น เราแค่ควรพี่ณนะก็บันเทาลงไปได้บ้างแต่มันไม่ตลอดไปะฉะนั้นเองพุทธิจาจึงสอนว่าแค่นั้นยังไม่พอต้องใช้สัมมาในองค์มัคหรือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินโน้ส่วนสัมมาวาจาสัมมา กมาตจาสามาชีวสามอันนั้นไม่ต้องบำเพ็ญอะไรหรอกขอแต่สร้างสามมาวายามาสามมาสติสมาให้เกิดมีขึ้นก็เป็นทางเคลื่อนดาบแรกนั้นเราจะไม่ต้องสร้างดังพระดีเจ้าสอนว่าให้ให้สร้างมรคให้เกิดใจของเราไม่ให้อารมณ์ต่างๆมาเกิดเทียนรักษาสติ เพียงรักษาสติก็เพียงรักษาใจในแดงไม่ฉีกอื่นกายอรักษาใจของเรามันไม่ให้มันพั้งมันผื่นรักษาใจคือรักษาอะไรรักษาความรู้สึกของเรารักษาเวลาทั่วไปกับรักษาเฉพาะรักษาเวลาเฉพาะก็ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใจเข่าประคองใจรักษาใจไว้กับลมหายใจเขากนั้นอย่าว่ารักษาใจไว้นั้น รักษาไว้เพื่อให้มันคุ้นเคยรักษาไว้จนกว่ามันจะนิ่งจนกว่ามันจะหยุดไม่ต้องรักษาก็อยู่อยู่ได้จนเข้าถึงตัวเองเข้าถึงใจที่เราปฏิบัติกันเราก็ทำอย่างนั้นกำหนดลมหายใจคอเข้ามาไปแล้วก็เพียรพยายามทรอดังที่ว่านี้สุดท้ายเราก็นิ่งรู้อยู่เท่านั้น ็พําทำงานมาแล้วก่อนที่จะทำงานก็กำหนดจิตมาให้จิตนิ่งให้จิตรู้อยู่ซะก่อนแล้วจึงทำงานตามขั้นตอนนะที่ว่าเรีกว่ามีความเพียรติดต่อกันไปเหมือนเราหยุดทำสมาธิแล้วเราก็กำหนดดวงรู้นะไว้ไปไหนมาไหนก็รู้อยู่ดวงรู้นั่นแหละแม้มันจะออกไปบ้างไปกระทบกับสิ่งต่างๆบ้างให้เราถือที่ตั้งของจิตเป็นที่หมาย นานเราก็ปะคองจิตเข้ามามารู้อยู่เฉพาะแล้วก็ปล่อยให้มันรู้สภาพนั้นต่อไปมีภาคปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อจิตมันสงบแล้วนะมันได้ฐานได้เป็นตามอ่าเลยรู้ได้เห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่ต้องน้อมเขาน้อมออกกันละพอมันเป็นเข้งมาแล้วตอนี้ไปก็ให้พักกันน้อมใจกข้ามาสับจิตใจของตัวเองต่อไป